เดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สามวันที่สิบราคะของจริงตื่นเช้านี้ฉันสืบทอดอาการหนักใจมาจากเมื่อคืนแม้นั่งสมาธิได้ค่อนข้างดีตามเคยแต่ก็ติดความกังวลโดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าสมาธิและหลังออกจากสมาธิเหมือนจิตมีน้ํามันเหนอะหนะเคลือบอยู่ตอนเดินจงกรมก็มีแต่ใบหน้าคนรักเก่าฉายอยู่ในหัว ถ้าจิตกำลังมีสมาธิดีหากถูกดึงดูดให้ปักติดกับความคิดถึงใครนิดเดียวมโนภาพของคนนั้นจะปรากฏแจ่มชัดราวกับสัมผัสได้จังๆและสัมผัสเป็นจริงเป็นจังนั้นก็ก่อให้เกิดความรวนเรเหหันได้มากเลือเกินโดยเฉพาะถ้ามีสายใยพิษสวาสดเป็นตัวผูกเชื่อมระหว่างใจกับมโนภาพ ฉันพยายามพิจารณาโดยความเป็นจิตมีราคะแต่พอรู้สึกถึงลักษณะาราคะอันมีความอ่อนหวานอบอุ่นอ่อนโยนและเร่งเร้าให้จิตจมปลักแช่อิ่มในอารมณ์นั้นแทนที่สติเจรืองแสงเป็นปัญญาเห็นราคะดับไปอย่างเคยกลับกลายเป็นความรู้สึกสัมผัสคนรักแจ่มกระจ่างขนาดที่คล้ายสำเนียงเสียงและกลิ่นกายของเธอมากระทบประสาทสัมผัสอยู่ตรงนี้ ไม่เพียงราคะจะดับแต่กลับทวีขึ้นเป็นสองเท่าสามเท่าฉันขบฟันนิดหนึ่งลักษณะอันเป็นยางเหนียวเหนืดเข้มข้นของราคะเป็นอย่างไรเพิ่งประจักษ์ในบัดนี้หลังจากที่เคยชินกับจิตอันผ่องแพ้วมาเนิ่นนานจึงได้ข้อเปรียบเทียบชัดเปล่ากับสองมือแห้งถูกกันสบายสบายอยู่ดีๆไม่ชอบกลับเอาไปจุ่มกาว แล้วเอามาประกบกันให้เหนือเหนียวเล่นซะอย่างนั้นทั้งวันทำงานด้วยความรู้สึกปั่นป่วนทั้งดีใจอยากเจอเร็วๆทั้งกลัดกลุ้มอยากขอเลิกนัดสองความรู้สึกตีกันเป็นคนละข้างราวกับไม่ใช่ความรู้สึกของคนคนเดียวเมื่อนัดก็ต้องเจอพอถึงเวลาเจอเข้าจริงความรู้สึกฝ่ายต้านก็มาลายหายไปจนสิ้น เธอดูดีมีเสน่ห์กว่าเดิมเส อ, อีกทั้งท่วงทีกิริยาทั้งวาจาชอเลาะรากับไปฝึกเปรือวิทยายุทธมาจากสำนักไหนสักแห่งจนเข้าขั้นไร้เทียมทานเล่นเอาฉันงวยงงหลงมนสเสน่ห์ไปหมดไม่ว่าเธอจะทำอะไรพูดคำไหนถูกใจเลิกเกินเราอาศัยสัมพันธภาพอันเคยสนิทชิดเชื้อ เดินเกาะแขนกันไปดูหนังรอบดึกโดยไม่เคอะเขินกันและกันฉันสนุกและหัวเราะไปกับภาพยนตร์บนจอเงินเต็มที่พอมาถึงกลางเรื่องก็นั่งกับพริบตาบอกตัวเองว่าฉันกลักกลายเป็นคนธรรมดาไปแล้วความชุ่มชื่นในฌานความเบิกบานในสมาธิความสว่างสวัยแห่งปัญญารู้ความเกิดดับ ลวนกลายเป็นภาวะห่างไกลจนเอื้อมไม่ถึงเหมือนครั้งเพิ่งเริ่มต้นสงสัยชีวิตทีเดียวราคะของจริงฉุดสติดิ่งลงเหวได้รวดเร็วยิ่งกว่ามือยักษ์กระชากอดีตคนรักที่ทำท่าจะหวนกลับมาเป็นคนรักปัจจุบันทำให้ฉันรู้ซึ้งถึงก้นบึ้งสัจจะนั่นคือถ้าหากมีกายสัมผัส ข, ของคนที่เราพิศวาสเป็นเครื่องกาเนิดราคา จะไม่มีสติระดับไหนๆเอาชนะหรือเห็นเป็นของเกิดเราต้องดับลงได้เลยเปรียบเสมือนน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเพราะกายมนุษย์อันเป็นปฏิภาคเป็นเพศตรงข้ามกันนั้นมีแรงดึงดูดมีพลังเหนียวนำให้จิตหลงติดอย่างต่อเนื่องเนิเนนานโดยไม่ต้องพยายามทำอะไรขณะที่การเจริญสติปัฏฐานนั้นต้องอาศัยกาลังใจพื้นฐานเป็นอย่างมาก และถ้ากำลังใจขั้นพื้นฐานดังกล่าวถูกครอบงำไว้เสียตั้งแต่แรกแล้วด้วยอำนาจแห่งความรักก็ป่วยการจะพยายามยื้อสติไว้อย่างนี้เองการออกบวชเพื่อมุ่งมั่นหลุดพ้นจึงมีกฎห้ามคลุกคลีกับเพศตรงข้ามอันเป็นค่าสกพรมจันทร์พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าถ้าอยากรักษาพรหมจรรย์ไว้ได้สบายสบายไม่ควรเห็นสตรีเลยดีที่สุด หรือถ้าเห็นก็อย่าพูดด้วยหรือถ้าจำเป็นต้องพูดด้วยก็ให้มีสติเพื่อเป็นการสกัดกั้นราคะไว้ไม่ให้รั่วรถถึงจิตแต่นี่ฉันทั้งเห็นทั้งพูดทั้งไม่มีสติสกัดกัน้นด้วยข้อห้ามใดๆแบบวินัยสง์สมบัติทางใจเก่าๆเป็นอันสาบสูญสิ้นในพริตากลับมาสู่โลกเก่าที่มีความหวานอ้อยอยิงเป็นเครื่องเชื่อมให้ติดใจ ฉันรู้สึกฝันเคลิ้มตาลอยคิดถึงอนาคตของการอยู่ร่วมกันฉันกับเธอเข้ากันได้ดีและเหมือนไม่มีเหตุผลใดๆต้องยับยั้งความสัมพันธ์ไว้ในเมื่อเดี๋ยวนี้เธอมีงานทำและเท่าที่ฟังเธอเล่าก็ดูท่าจะก้าวหน้าไปด้วยดีไม่กี่ชั่วโมงทำให้คิดไกลได้ขนาดนั้นยามรักจิตจะมีปีติสุขเบิกบานไปอีกแบบ ไม่ชุมช่มฉ่าล้ำเลึกเหมือนสมาธิแต่ก็ชื่นมืนเรื่นใจกว่ารถไหนๆเหมือนมาถึงความสมหวังยิ่งใหญ่เหมือนมีคำตอบว่าเราจะอยู่ในวันนี้เพื่อใครเหมือนเสกสวรรค์ให้ประกดจับต้องได้ด้วยความรองดองชีวิตถูกบังคับให้มีภาวะคู่และการมีภาวะคู่ที่เข้ากันได้ก็ใช่จะหาง่ายๆเมื่อเจอแล้วใหญ่ต้องละทิ้งสลั แยกย้ายกลับบ้านเกือบห้าทุ่มโดยยังไม่มีใครหายเพลินยังสนุกและอยากคุยกันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงแต่ความรับผิดชอบของแต่ละคนบังคับให้ต้องฝืนใจอำลาทั้งอาไลกลับถึงบ้านฉันอาบน้ำและสำรวจจิตใจตัวเองโล่งอกเล็กน้อยเมื่อพบว่ายังมีกำลังเหลือพอจะนั่งสมาธิเดินจงกรมบ้างแม้สักน้อยก็ยังดี แต่พอนั่งแค่สองนาทีเสียงสัญญาณโทรศัพท์ก็ดังเรียกฉันนึกไม่ถึงว่าจะมีใครโทรมาเอาป่านนี้มากกว่าจะลืมปิดเสียงไว้อย่างเมื่อคืนเธอนั่นเองแฟนเก่าที่กลายเป็นแฟนใหม่คนรักของฉันที่เคยพักยกไปเป็นคนรักของคนอื่นเธอบอกคําแรกทั้งเะออื้นว่ารักฉันและขอโทษที่เคยแพ้ความเหงาต้องมีคนอื่น ต้องทาให้ฉันเสียใจต้องทมให้ความรักระหว่างเราสะดุดไปชั่วขณะหนึ่งฉันน้ำตาซึมและสะเทือนใจแรงตอบถือว่าไม่เป็นไรสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องธรรมดาฉันไม่เคยถือโทษโกรธเธอเลยเข้าใจเสมอว่าไปเรียนต่อแล้วต้องเลิกกันนั้นใครๆเขาก็ประสบกันทั้งเมืองความเหงามีตัวตนชัดเจนกว่าความรักและมันไม่ใช่บาปของใคร ที่ต้องแพ้ความเหงาอันโหดร้ายขณะที่ความรักอยู่ไกลจนกลายเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้ปลอบเธออยู่เกือบสองชั่วโมงปล่อยให้อารมณ์อ้อยอิงไม่จำกัดกระทั่งเธอเป็นฝ่ายเกรงใจและขอโทษขอโพยที่พลอยทำให้ฉันนอนผิดเวลาขนาดนี้ฉันตอบว่าไม่เป็นไรอีกความรักยามหวานซึ้งดูเหมือนจะทาให้คาว่าไม่เป็นไร ปิดปากเป็นอัตโนมัติดีจริงทั้งที่ควรพ่วงท้ายเส้นหน่อยว่ากระุณาอย่ามีครั้งหน้าแต่ความรักก็ห้ามไว้ไม่ยอมให้ปริปากพูดสรุปคือวันนี้เป็นวันแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งแต่ขอโทษทีไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกอย่างล้มพับพังภาพลงไปอยู่ที่ฐานไม่มีอีกแล้วสมาธิ ไม่มีอีกแล้วสติไม่มีอีกแล้วความมุ่งมั่นจะแหวงมรรคผล